162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎก6กดูกระอาโนนบุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตาย่อมเล็งเห็นด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตาย่อมเล็งเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้ว อัตราของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาอานนท์หรือเล็งเห็นอัตราดังนี้ว่าเวทนาไม่เป็นอัตราของเราเลยจะว่าอัตราของเราไม่ต้องเสวยเวทนาก็ไม่ใช่อัตราของเรายัางต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นอัตราของเรามีเวทนาเป็นธรรมดา อ น, อนบุบรรดาความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะพึงถูกซักถามอย่างนี้ว่าอาพุโสเวทนามีสามอย่างนี้คือสุขะเวทนาทุกขะเวทนาอาทุกขมสุขเวทนา บรรดาเวทนาสประการนี้ท่านเล็งเห็นอันไหนโดยความเป็นอัตตาอานนท์ในสมัยใดอัตตาเสเวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสเวยทุกขะเวทนาไม่ได้เสเวยอทุกข์มสุขเวทนาคงเสเวยแต่สุขะเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นอานนท์ในสมัยใดอัตตาเสเวยทุกขะเวทนา ไม่ได้เสวยสุขะเวทนาไม่ได้เสวยอาทุกขมสุขเวทนาคงเสวยแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นในสมัยใดอาจตาเสวยอาทุกขมสุขคเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขคะเวทนาไม่ได้เสวยทุกขะเวทนาคงเสวยแต่อาทุกขมสุขคเวทนาอย่างเดียวเท่านั้น ดูกระอาโนเวทนาแม้ที่เป็นสุขก็ดีแม้ที่เป็นทุกก็ดีแม้ที่เป็นอันทขขุขขมสุขก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความสิ้นความเสื่อมความคลายและความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเขาเสวยสุขคะเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเรา ต่อสุขะเวทนาอันนั้นดับไปจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อเสวยทุกขะเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราต่อทุกขะเวทนาอันนั้นแลดับไปจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อเสวยอัตุขขมสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่า นี้เป็นอัตราของเราต่อทุกขมสุ ข, ขเวทนาอันนั้นแลดับไปจึงมีความเห็นว่าอัตราของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตราของเรานั้นเมื่อเล็งเห็นอาตาัตราย่อมเล็งเห็นเวทนาอันไม่เที่ยงเกลื่อนกลนไปด้วยสุขและทุกข มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอัตราในปัจจุบันเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแหละอาโนนข้อนี้จึงยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าเวทนาเป็นอัตราของเราแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเวทนาไม่เป็นอัตราของเราแล้ว อาตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาเขาจะพึงถูกซักอย่างนี้ว่าในรูปขันล้ว น, วนก็ยังมิได้มีความเสวยอารมณ์อยู่ทั้งหมดในรูปขันนั้นยังจะเกิดอาหางการว่าเป็นเราได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละนอาโนนข้อนี้ จึงยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าถ้าเวทนาไม่เป็นอาจาของเราแล้วอาจาของเราก็ไม่ต้องเสบยเวทนาแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ส่วนผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่เป็นอาจารของเราเลยอาจารของเราไม่ต้องเสบยเวทนาก็ไม่ใช่ อัตตาของเรายัางต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาเขาจะพึงถูกซักอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เพราะเวทนาจะต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือเศษเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปยังจะเกิดอาหารการว่าเป็นเราได้หรือ ในเมื่อขันนั้นๆดับไปแล้วไม่ได้เพราะเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอาโนนข้อนี้ยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้วอัตตาของเราไม่ต้องเสวยเวทนาเลยก็ไม่ใช่อัตตาของเรายังต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดา แม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้